นโอกาสต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนามาก และต่างก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะให้คําแนะนําหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติบางครั้งในการแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ให้แนวแนะแนวทางปฏิบัตินั้นบางทีก็อาจ ผิดพลาดซึ่งไม่ตรงกับหลักแข่งความเป็นจริงตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาแต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบจิตนั้น เป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างจะเป็นลทัทธิศาสนาใดก็าตามหรือลทัทธิพิธีการใดๆก็าตาม เมื่อมีการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการทำสมาธิเมื่อทำให้จิตสงบลงไปจริงๆแล้วเหมือนกันหมดจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธก็ตามหรือแม่ลทัทธิอื่นๆที่มีการทำสมาธิเมื่อทำจิให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้ มีลักษณะอย่างเดียวกันหมดถ้าสมาธิแตกต่างกันสมาธิก็ไม่ใช่สัตธรรมที่เรารู้สึกว่าสมาธิมีความแตกต่างกันนั้นเพราะเราไปยึดวิธีการมากเกินไปดังนั้นสมาธิจึงเป็นกิริยาของจิต หรือจะว่าตามภาษาของชาวบ้านว่าเป็นกิริยาของใจการทำสมาธิใครจะทำในท่ายืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบางละทิเขาสามารถที่จะเอาศีสะปักลงกับพื้นแล้วก็ชี้ฝ้าขึ้นาขาขึ้นฟ้า ทำสมาธิอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นพวกฤทธิชีเปลือยที่เขายังมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือปฐมฌานทุติยฌานตา ต, ติยฌานจะตุถาฌาน เป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกระทับที่มีการปฏิบัติสมาธิสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่สี่เป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงฌานขั้นที่สี่แล้วมีทางแยกไปตามระิและความเข้าใจของแต่ละศาสดา าศาสดาในาศาสนาพรหมณ์เมื่อเขาทำจิตถึงฌานขั้นที่สแล้วเขาก็ดำเนินจิตไปสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญญายตนะเดวสัญญาณาสัญญายตนะไปสมาบัติ8ทีนี้ผู้ทำสมาธิสำเร็จสมาบัติ8 ในเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในปลมมโลกแต่ในและที่ศาสนาพราหมณ์เขาถือว่านิพพานของเขาเหมือนกันเพราะเขาไปกำหนดเอากันตรงที่ว่าในเมื่อจิตไปอยู่ในสมาบัติชั้นที่แดคือเนวะสัญญานาสัญญายนะัจณะในเมื่อมองดูจิตภายในแล้วจะรู้สึกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ มันเป็นของละเอียดจริงละเอียดจริงๆผู้ที่มีปัญญายังไม่ละเอียดเพียงพอจึงเข้าใจว่าสมาบัติขั้นนี้เป็นพระนิพพานตามความเข้าใจของเขาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ในตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้เคยศึกษาในละเทศของศาสนาพราหมมาก่อนจนสามารถทำเจตของพระองค์ให้บรรลุถึงสมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สำเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากกานสมาบัติขั้นนั้นมามาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้ อย่างเหมือนๆที่เรากำนั่งฟังเทศกันอยู่นี่ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็ยังรู้สึกว่ามีความยินดียินร้ายพอใจแหละไม่พอใจพระองค์จึงเห็นว่าถ้าหากสมาบัติขั้นสูงสุดของพรามเป็นขั้นสำเร็จระนิพานเมื่อออกจากสมาบัติมาแล้ว ความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการของกิเลสย่อมไม่มีเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรออกจากสมาบัติมาแล้วกิเลสก็ย่อมไม่มีแต่นี่เมื่อเราออกจากสมาบัติมาแล้วมันยังมีความยินดียินร้ายอยู่พระองค์จึงสนนิษฐานว่ายังไม่สำเร็จจึงได้หันมาพิจารณาสภาวธรรม หมายถึงกายกับใจของพระองค์เองและพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจตัวไม่เจตนของสภาวะธรรมทั้งปวงจนพระองค์สามารถรู้ข้อเท็จจริงว่าทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติที่จะพึงเป็นไปของสภาวะธรรมนั้นก็คือความปรากฏการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวในเมื่อสิ่งนั้นมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจะห้ามก็าตามไม่ห้ามก็าตามกฎธรรมชาติอันนี้ย่อมเป็นไปตามกฎของความเป็นจริง ใครจะขัดข้านไม่ได้ที่นี่กฎธรรมชาติที่เขาเป็นไปตามกฎความจริงของเขานั้นแล้วมันมาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้อย่างไรที่มาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไปฝืนกฎธรรมชาติเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ยังไปนึกปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ตามความต้องการเช่นความแก่ใครก็ไม่ชอบความเจ็บใครก็ไม่ชอบความตายใครก็ไม่ชอบความวิบัติต่างๆนานาใครๆก็ไม่ชอบแต่เสร็จแล้วเขาก็เป็นไปตามกฎ ธ, ธรรมชาติของเขาในเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจกิเลสด้วยอุ ป, ปาทาน เราจะไปหักข้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไปฝืนเมื่อไรความทุกย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นแช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกหรือเจ็บแล้วอยากขายหายไม่ทันใจเราก็ทุก ยิ่งความตายเข้ามาถึงแล้วเราก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่เพราะเรากลัวตายที่เป็นแค่นั้นก็เพราะเหตุว่าเราฝืนกฎของธรรมชาติทีนี้พระองค์มาพิจารณารู้ซึ้งเห็นจริงในกฎของธรรมชาติเิตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้นๆอย่างซึ้งถึงจิตถึงใจจนไม่สามารถที่จะถอนมาเป็น ไม่ยอมรับได้คือเรียกว่ายอมรับอย่างจริงๆแล้วไม่ยอมปฏิเสธอีกต่อไปพระองค์จึงได้ถึงซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้สนใจ ในการที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอาตามะจึงจะนำหลักการในเบื้องต้นมาเสนอแนะพอเป็นแนวทางพิจารณาให้ตามหลักอารักขกรรมฐานสี่ คือมีพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเจริญเมตตามีอสุภะกรรมฐานการพิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่ากรี๊ดโศโครมรณะสติระลึกถึงความตายคือพิจารณาความตายของคนอื่นสัตว์อื่นและของตนเองอันนี้เป็นอารักขกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมควรจะยึดถือหลักควรจะยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติพุทธานุสติการระลึกถึงคลของพร ะ, ะพระพุทธเจ้าประการต้นนั้นทำไมเราจึงระลึกถึงคลของพระพุทธเจ้า คำตอบก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของเรานอกจากจะเป็นพระบรมศาสดาของเราแล้วพระองค์ยังเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลต่างแห่งความเป็นผู้เสียสละพระพุทธเจ้าเสียสละอะไรบ้างอาตมาจะไม่นำมากล่าวและพระองค์เป็นบุค คนผู้เป็นตัวอย่างแห่งการละความชั่วประพฤติความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดซึ่งสรุปรวมลงในพระคุณอันใหญ่สามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทมทั้งสี่ได้แก่ทุกสมุทยมัยนิโรธมรร อันนี้เป็นพระปัญญาคุณเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระกมลลสันดานอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสแม้เท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไถยของพระองค์แล้วพระองค์จึงเป็นผู้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง อันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระไทยประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สู้สละความทุกข์ยากลาบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสัต์ให้รู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์แลยไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุนนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าเวนยศาสตร์ผู้ควรรับพระธรรมเทศนาจะอยู่ใกล้กระปันใดก็ตามก็ทรงอุตสาห์เสด็จไปเทศนาโปรดให้เขาตั้งอยู่ในมรรคนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทีนี้เราจะมาลำเล็กถึงพระคุณของพระองค์เพื่อจะน้อมเอาพระคุณนั้นๆเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเราจะทำอย่างไรบัดนี้มาถึงวิธีการที่จะปฏิบัติกันแล้วพระโบราณาจารย์ท่านกล่าวว่า ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยวิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญเมตตาซึ่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้ว และการเจริญปร ม, มวิหารนั่นก็เข้าใจว่าคงกระทำเป็นจิตวัตรประจำวันทีนี้ตามแบบฉบับในเมื่อเราทำกิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่น กำหนดรู้ลงที่จิตของเรานนกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วก็นึกในใจว่าพุทโทรธธรรัมโมสังโฆพุทโทรธธรรัมโมสังโฆพุทโทรธธัมโมสังโฆ สามครั้งแล้วก็ามากําหนดนึกสํารวมเอาคําดืพุธโธพุธโธพุทโธพุธโธไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุธพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกที่นี้ถ้าหากว่าการนึกพุธพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไป จิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสะออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุโทโรธเร็วๆเข้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุโทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุโทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละ และก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกท้งนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้น ในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้ ม, เ, มเหมือนกับจะง่วงนอนนั่นสอแสดงว่าจิตกําลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและขมความรู้สึก หรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงวเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าจิตมีอาการเคลิ้ ม, ล, มลงไปคำนึกว่าพุโทโธพุโทโธซึ่งเรียกว่าปริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิมลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อย แล้วรู้สึกว่าคําว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิเช่นั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคําว่าพุโทโธกําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้น ในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจ บางทีมีอาการคล้ายๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้น จนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปลากฏดอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่น มีความสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปลากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาต เป็นแดเพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่กกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็าตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามพ เ, าเพียรพยายามทมให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเอง การทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตก็จะไปติดอยู่ในสมถะไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัปนาสมาธิในขั้นนี้จิตจ่อมไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความมาได้อย่างไร อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อัตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคง สติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อเจตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าเจตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอเจตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไป ความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้รู้รู้ตามรู้ไปเลยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกาหนดติดเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิ พอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กาหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าเจตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็าตามให้กาหนดตามความคิดท่านไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆ อย่าไปช่วยวิภาควิจาร์ใดๆทั้งสิิ์แล้วเมื่อปฏิบัติจา่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเอง แต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อย โอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทําให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวง เมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยที่นี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้น และในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทําการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะประดานั้นจะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาจิงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักวิชา พุทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานทีน่ได้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทธโธนั้นจิตสงบลงได้เพียงแค่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตสงบลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิ คำบริกรรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการ32สองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่งอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม ปฏิคูณน่าเกลียดโสโครกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่วความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจรารณาอาวะผมก็เป็นของปฏิคูณขนก็เป็นของปฏิคูณและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิคูณน่าเกลียดโสโครกเป็นอบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่เป็นของง่ายที่ว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการ32หรอือกายยคตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำรับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐาน ท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจผ่าตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านหยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูได้ตารู้ด้วยใจน้อมเอาอดีตสัญญาอ น, นันต์เลยมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งบางท่าน เคยแนะนําให้พิจารณาอสุภะกรรมาฐานท่านก็บอกว่าหลับตาลงเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาซะจนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอาดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมาฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจ มีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละแท่ลงลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอ่านนั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจ มีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานี่นแหละแท่ลงลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิดความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถึงเจตของท่านจะไม่เชื่อก็าตามเพราะท่านก็เคยรู้มาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกำหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นเมื่อเจตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณา น, านั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจ อาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุภะกรรมาฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนนมิตรขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิต อยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจนี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเจสงบพระเยริ่ลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่า จิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนล้วนร่างกายไม่ปรากฎในความรู้สึกและการมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนล้วนโดยไม่มีประสาททางกายเจือยวผลแม้แต่ประการใดทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ในการพยาบาลรักษาคนไข้ได้อย่างดีวิเศษที่สุด ที่นี้อาสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรในช่วงต่อไปนี้อาธรมะจะได้ขอนำเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุ22ปีอาธรมะป่วยเป็นวันโรค ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยาที่จะรักษาโรควั น, นโรกนี่ยังไม่มียังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวั น, นโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟันท่านประจาพรรษาด้วยอยู่ที่วัดบุรพาเมืองอุบลท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการส2สบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละที่แรกก็ ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจําได้โดยเริ่มต้นว่าอะยังโขเมกาอยกายของเรานี่แหละบุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสะมััตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตจาจะปริยนันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ โูโลโนานปการัสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัตสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกศาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผมโลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขนนาขาคือเล็บทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่เล็บ ดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตะโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อหนาหารุคือเอ็นน้อมจิตไปที่เอ็นอาทีคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูกอาทีมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูก วักกลางม้ามน้อมจิตไปที่ม้ามหัดถ้ายังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปะพาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดเพ ร, ะราะอุปาทานเคยยึดถือว่าวั น, นโรกเป็นอยู่ที่ปลอดพอน้อมไปที่ปลอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปลอดมันไม่ยอมไปไหนในที่สุดก็มองเห็นปอดของตัวเอง เป็นสีแดงแล้วจิตก็มีความสว่างสวัยมองเห็นจุดอยู่ที่ขั้วปอดสองจุดโตขนาดเหรียญสลึงแล้วก็น้อมเพ่งดูอยู่ที่ปอดนั่นตลอดไปจิตมันก็ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกันในตอนแรกๆมันก็รู้สึกว่ากายก็ยังปลากฏจอยู่ลมหายใจก็ยังปลากฏดอยู่ แล้วก็มองเห็นปอดด้วยอะใกลๆกับมองเห็นด้วยสายตาไหลรู้ด้วยใจในเมื่อจิตแท้งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละจิตค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแทนอยู่กับพืิน ความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตไปลอยเด่นอยู่บนอยู่เหนือร่างกายสูงประมาณสองเมตรแล้วก็ทอดแสงสว่างลงมาดูกายในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่จิตรู้เด่นสว่างอยู่อย่างนั้นแต่ทางส่วนกายเนี่ยเริ่มต้น ด้วยการขึ้นอืดแล้วก็น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังผุกพังไปตกลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุดกระดูกก็แหลกละเอียดหายไปกับพื้นดินมองเห็น ของกระดูกโปอยอยู่บนพื้นดินเหมือนเหมือนกับขี้เท่าโปรยอยู่บนกองทรายแล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอของกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นผงกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตตรงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่ง แผนเด่นก็ปลากฏขึ้นมาแล้วก็มีผมกระดูกแล้วกระดูกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นกระดูกกลับคืนมาแล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างมีโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งร่างปลากฏว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่จาได้เพียงแค่สาม สามสามสามครั้งเท่านั้นความเป็นอันนี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่ตีสามแล้วก็ไปรู้สึกตัวต่อเมื่อสองโมงเช้าก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานั้นดวงจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นมีอาการไหวนิดหนึ่งพอไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่หรือคือความตาย รู้สึกอันหนึ่งผุดขึ้นมาตอบว่าใช่แล้วพอคำตอบว่าใช่แล้วปลากฏขึ้นจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นก็ลดลงมาประทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาประทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับ ถูกฉีดยา เ, เข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้อาตมา ก, ก็กำหนดดูว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือท่าวางไว้อย่างไรกำหนดจิตอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้ว ความสงสัยนะ่นมันก็ยังมีอยู่เนิบสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูเน่าพอแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ดูนาฬิกาก็สองหมงเช้าพอดีทีนี้ใน <c oughs> พอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวันนรคที่เป็นอยู่ น, นั่นเน่ยอาเจียนเป็นโลหิตออกมา แล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยลน้นอยในที่สุดเลือดหายขาดหนองที่เคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นนจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบําเพ็ญกรรมฐานเนี่ย เกี่ยวกับการพิจารณาอสุภากรรมาฐานนี่พิจารณาผมขนเละบันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยอ า, ายรมณ์ภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเป็นในแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อาตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่าวันนรกของอาตมะที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้ สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจที่นี้ผลลัพธ์แห่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ร่างกายสลายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวเมื่อปรากฏมีกายอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจใจกับกายมันคนละอย่าง กายนีมนหมันเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยแต่ว่าใจนั่นอาศัยอยู่ในกายแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายไม่ใช่ใจร่างกายต่างหากที่มันเจ็บป่วยตายไปร่างกายนี่มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาแต่ไหนหลังจากนั้นกาลังใจมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ถ้าหากว่าบางครั้ง <c oughs> มันอาจจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในด้านที่เรียกว่ามันทำให้เกิดทุกข์ใจมันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาโต้ตอบว่าไม่ได้จ้างให้มันมาเกิดไม่ได้จ้างให้มันมาตายอยากตายก็เชิญเลยเนี่ยมันท้าทายอย่างนี้แล้วโครคภัยไข้เจ็บมันก็หายมาเรื่อยๆไปอันนี้ที่นามาเล่านี่ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารนาว่าการบําเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโครคเข็บให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายพิจารนาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์จันเขมปะปัตโต ท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีพระโรคหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่หายอยู่มาวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าทันไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทำไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไรคนกินเบ็ดเข้าไปตั้งคัน มันเกาะโยที่ฝ่ามันเกาะโยที่ผนังกระเพาะไปให้หมอเอาออกให้เสแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอใช้สเตลพาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้การทำสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นโรคศิษย์ธรรมาภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟัง ว่าการทำสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อบอกนันะ่นน่ะเจ็ดของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาตรวจโรคพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูเท่านั้นจิตมันโวไปประท้าร่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจดูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้อง แล้วก็ถามว่าเป็นเพราะผลแห่งการทำสมาธิหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าให้คุณพิจารณาเอาเองอาตมาไม่ตัดสินให้หรอกให้ทดสอบกันไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันจะเป็นจริงที่นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเนี่ยก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาว่า การทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ได้เรียนไม่ในทางนั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี้เชื่อมั่นและเกิดว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยผ่านเคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิ ทีนี้การใช้พลังจิตหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาจารมภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั่นท่านว่าการพิจารณาอาการ32เนี่เป็นการเพ่งกระสินการเพ่งกระสินภายในคือเพ่งผมผลแนบฟันหนังเนือดเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคคอทำให้สติด้านกลายเป็นมหาสติขึ้นมา เมื่อเราสามารถเพ่งอาการ32สองให้รู้เห็นเป็นนิมิตขึ้นมาในลักษณะความเป็นสมาธิต่อไปนี่เราอาจจะไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักก็ได้ให้ต้นไม้มันล้มโค่นลงมาก็ได้ให้เครื่องยนต์มันหยุดก็ได้ท่านว่าอย่างนี้ทีนี้ในสมัยนั้นอาจรมาภาพก็ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มกําลังขนองเหมือนกันอยากจะทดสอบหาข้อเท็จจริง ในเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้เบือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หักลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเวลานี้ก็ทําให้ทันนกหลายอาจจะบอกว่าหลวงพ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแพ้ไปก่อนเพื่อว่า จะด้วยประการใดก็ตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่อออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันที่ตรงนี้ ทีนี้การทำสมาธินี่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ ที่ในวิปัสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิดในขั้นต้นนี่เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นโลกไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจําเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนำเป็นการปรับปรุงปฏิปาทาทาให้จิตของเรานี่ มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นการพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีทื่อีบัญญัติเกลียกได้ เช่นอย่างรู้เรื่องของรูปก็เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจารสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติบัญญัต จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมจากกัปปวัตตะดสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินกิสมุทายะธรมมังสะพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความโลที่อยู่ในขั้นแห่งโลกี มีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ทีออ่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติ ไม่สามารถที่จะรู้จากชื่อแห่งธรรมะนั่นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายพระพรพระมหาบรพิธพ ร, ราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัตยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้น เราไม่มีหาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นเพราะมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอัตมาก็เลยยกเอาอยัางกินจิสมุทยธยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักรกับปวันตนสูตร ที่ท่านัญญากลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านัญญากลทัญญะเป็นประสูดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรม ในสายสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอา จ, จะมะานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่นย่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นกติเตือนใจ <c oughs> แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนกะ เช่นอย่างอาจจะมพูดในตอนต้นว่าการทำสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มัน่นบางท่านอาจจะคิดว่าทำในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้เดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิด แม้แต่ทำงานอยู่ทำสมาธิได้คือทำสมาคือทาสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องปฏิปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลา าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจารณาด้วยอขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อาตมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองได้ตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็ไม่อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ คำเฉลยก็มีอยู่ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำสติให้เป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติประฐานสีพระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือการเจริญกายกรตาสติ กำหนดเพ่งดูผมขนเล็บฟันหลังเนื้อเอ็นกระดูกในขณะที่เพ่งอยู่นั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายมีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้วทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกาย นักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติยิ่งจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่างอย่างน่าอัศจรรย์มองไปไหนก็กลายเป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้ว ส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็กลายเป็นเป็นพระธาตุไปหมดเทนีพระธาตุที่ของบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใส่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องความสว่างสวัยของจิตของแต่ละท่านอันนี้คือปัญหาคำตอบที่ว่าทำไมกระดูกพระอหรหันต์จึงเป็นเป็นพระธาตุไปเทนีตัวอย่างที่เปรียบเทียบก็คือว่า เช่นอย่างหมอเรียนวิชาไสยศาสตร์เขามีมนต์ต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูขักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้พวกไสยศาสตร์ที่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถวิปัสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้น แล้วในเมื่อเขาเปล่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้อ่าต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาอ่าปัญหามีว่าทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหินข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นอ่าปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่ทุกทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้คำตอบนี้ตอบยากจะว่าชาวพุทธทั้งหลายไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรืออะไรที่ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรายังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติและยังไม่มีผู้ให้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและยังไม่มีผู้สามารถชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรในเมื่อมีคำถามอย่างนี้อาตมาก็ใครที่จะ ขอเสนอแนะว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยในขั้นต้นนี้เรารู้สึกว่าจะลำบากมากบางท่านก็บอกว่าใจยังไม่สงบปฏิบัติไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะขัดจะค้านกันก็คือว่าถ้าหากว่าใจสงบแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมเพราะมันสงบอยู่แล้วเนื่องจากว่า เราเข้าใจาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกั บ, ก, บการทำสมาธินี่เราเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเราหรือเขาพูดที่ยังเหินหา่างจากการปฏิบัติเพราะเขายังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงนั้นการปฏิบัติสมาธินี่ มันเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันเราปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาทีอาตมาเคยแทศอยู่ที่เมืองโคราช ธ, ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วย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 ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์